ใจเป็นยังไงบ้างมันไปเอาเรื่องอะไรเข้ามาค้างคาอยู่ในใจมีไหมมันเป็นแค่ความคิดเป็นแค่ความรู้สึกเป็นแค่สังขารเท่านั้นเกิดแล้วต้องดับทั้งหมดไม่มีเหลือมีเรื่องอะไรบ้างที่มันไม่ดับไปจากจิตเรามีไหมตั้งแต่เกิดมาเดี๋ยวเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้าง บางทีเรื่องเก่ากลับมาบ้างกลับไปกลับมาแล้วมันมีตัวตนจริงไหมลมๆแรงๆไม่ใช่เหรอยึดมันไม่ต้องไปยึดมันอยู่เฉยๆได้ไหมอยู่เฉยๆไม่ต้องเอามันมันอยากคิดคิดไปแต่เราอยู่เฉยๆหมายว่าตัวคิดนั่นเป็นตัวสังขาน ตัวที่มันมาอาศัยจิตเราเกิดเขาเรียกว่าสังขารขันกองแห่งสังขารสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งนี่มันปรุงแต่งขึ้นมามันปรุงแต่งขึ้นมามันไม่ใช่ของจริงเมื่อไม่ใช่ของจริงมันต้องดับสลายไปหมดไม่มีเหลือแต่ที่มันไม่ดับเพราะเราไปยึดนี่แหละคืออุปท า, าน ไปยึดมันไว้บางทีก็ยังแถมอะไรอวบมันด้วยนะบางทีเรื่องไม่ดีก็ยังอะไรอวรเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาทางหาทางขัดจัดมันละเพราะว่าหนึ่งเหตุผลนั้นที่หนึ่งมันเป็นสังขารขันเป็นกองแห่งสังขารเป็นกองความคิดปรุงแต่งมันปรุงแต่งขึ้นมาหรือบางทีภาษาธรรมมาทะเหลียวเจตสิก เจตสิกก็คือสิ่งที่มาอาศัยจิตเกิดมันไม่ใช่จิตนะดูสิศัพท์เขาก็บอกเลยเจตสิกนี่เป็นธรรมชาติอันหนึง่งแล้วก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งด้วยแล้วก็มาอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับมันไม่ใช่จิตแต่ว่ามันรวดเร็วมากเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตด้วยความรวดเร็วของมันจนมันเหมือนกับว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราต้องทําความเข้าใจมันที่นี่ เราคิดมาเยอะแยะมากมายกายกองเราเคยทุกข์เพราะความคิดเพราะสังขารเหล่านี้มามากพอแล้วหาทางรู้ทันมันหาทางยับยั้งมันหาทางถอดถอนมันออกไปมาให้มันมาหลอกลวงเราได้ไหมอันดับแรกต้องรู้ซะก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวเรา มันไม่ใช่ของเรามันเป็นแร่แค่ความคิดแต่ความคิดเนี่ยมันจะมีสองอย่างอันหนึ่งเป็นความคิดที่สอดคล้องกับความจริงอันนี้คิดได้คิดแล้วใจเราจะรู้จักปล่อยรู้จักวางเช่นกาลังฟังเนี่ยฟังความจริงเกี่ยวกับเรื่องสังขารเราได้รับความรู้ความเข้าใจคือรู้ความจริงขึ้นมามากขึ้น จิตของเราก็จะรู้จากหน้าตาของสังขาร น, นี้มากขึ้นแล้วจิตของเราก็จะวางท่าทีใหม่ถูกต้องขึ้นมาว่าเออจริงมันเป็นแค่สังขารสังขารก็คือสิ่งปรุงแต่งมันมาอาศัยจิตเราปรุงแต่งมันมาปรุงแต่งจิตเรามันปรุงแต่งจิตเราได้ก็เพราะว่าเราไปรับมันเข้ามาเป็นตัวเราเป็นของเราทั้งทั้งที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป บางเรื่องบางราวเหมือนกับว่าเป็นจริงเป็นจังแต่พอเวลาผ่านไปมันก็หายไปเฉยๆหรือเวลามันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้จริงไม่ได้จังอะไรนี่แหละเป็นเพราะว่าอุปาทานในจิตของเราไปให้ความสำคัญมันแล้วก็ไปหลงผิดคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราชนิดเหนียวแน่นจึงเป็นอุปาทานขึ้นมาแข็งแกร่งมากมั่นคงอยู่ในจิตเรา มันก็เลยมีน้ำหนักอยู่ในจิตของเราทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกจิตเนี่ยเราก็อยากให้มันดับไปแต่ว่ากำลังสติปัญญาเราไม่พอลำพังแค่ได้ยินได้ฟังอย่างนี้มันก็บางครั้งมันก็บันเทาลงไปหรือว่าถ้าหากว่ามันไม่ใหญ่โตมากนักมันก็ดับได้แต่ถ้าหากว่ามันมีกำลัง ใจของเราไปมีอุปทานเรื่องที่มันเกิดขึ้นความคิดที่มันเข้ามานั้นมันเป็นเรื่องที่มันรู้สึกมีความสําคัญต่อตัวเราต่อชื่อเสียงต่อสุขต่อทุกข์ของเราต่อความเป็นอยู่ของเราต่อฐานะทางสังคมของเรามันก็มีน้ําหนักมีกําลังแต่ถ้าหาว่าเรื่องนั้นมันไม่มีความหมายอะไรมากนะัก ปรุงนิดนิดหน่อยหน่อยพอเป็นเรื่องเป็นราวมันก็ดับไปเองถ้ามันไม่มีความสำคัญต่อเรามันดับง่ายดับเร็วหรือบางทีมันตรงกับความอยากรู้อยากเห็นของเราเราก็มักจะเอาเรื่องเหล่านั้นมาปรุงแต่งปรุงแต่งในทางที่จะรู้ความจริงมันทำให้ใจของเราปล่อยวางได้อันนี้ถือว่าถูกต้อง แต่ถ้ามันปรุงแต่งไปแล้วทำให้เราหลงยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นอันนี้ไม่มีประโยชน์มันให้โทษเพราะว่ามันจะมาทับถมจิตใจของเรามาบีบคั้นจิตใจของเราทำให้มีน้ำหนักขึ้นในจิตใจของเรามากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวเราก็ทนมันไม่ไหวมันก็ทำให้เราเนี่ยป่วยทั้งกายทั้งใจ แต่ถ้าเข้าใจแล้วพวกสังขาร น, นี้มันเป็นแค่นามธรรมาไม่มีตัวตนจริงนามธรรมคำว่านามธรรมาไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนเป็นแค่ความรู้สึกนึกคิดเวทนาก็เป็นแค่ความรู้สึกสังขารก็เป็นความนึกคิดสังขารสิ่งปรุงแต่งเหล่านี้มันทำงานร่วมกับเวทนาด้วยพอมันปรุงแต่งขึ้นมามันจะมีเวทนาตามมา บางทีมันก็ทงานร่วงกับสัญญาสัญญาก็ดึงเข้ามามาแล้วก็ปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาตัววิญญาณก็ไปรู้แล้วก็ส่งต่อกันไปก็เลยวนเวียนอยู่ในจิตของเรานี่แหละแล้วก็ไปทำให้ร่างกายของเราเจ็บปวดทุกทรมานเข่งเคียดตึงเครียดประสาสมองกระทบกระเทือนไปถึงเลือดลม เฉพาะลำไส้ระบบการหายใจอุดอาดขาดข้องมีสังขารมันก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉนั้นสํารวจดูแล้วก็ทําความรู้จักกับมันอย่าไปกลัวมันนะบอกมันเลยมันเป็นแค่สังขารพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบุพันธ์เขามาธรรมามโนเสถามโนมายาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจิตนี้เป็นใหญ่ จิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิตถึงก่อนให้ระวังอย่างเดียวจิตนี้ประพัดสอนมีอันหนึ่งว่าจิตประพัดสอนอยู่แล้วจิตดั้งเดิมของแต่ละคนเนี่ยจริงจิจิตลึกเนี่ยในผวังของจิตจริงๆมันไม่มีอะไรไปครอบงํำจิตได้มันจะมีความประพัดสอนมีแสงสว่างอยู่ในตัวด้วยตัวจิตเนี่ยมันมีแสงสว่างด้วย เพราะนั้นบางทีเวลาเราจิตเรามันเป็นสมาธิขึ้นมามันก็มีแสงขึ้นมาเหมือนสว่างมีโอภาษมีอะไรอันนี้ก็เป็นเพราะว่าสิ่งหุ้มห่อจิตมันละลายไปมันก็มีแสงสว่างออกมาให้เห็นแต่อันนี้มันเป็นแค่สิ่งที่มาประกอบกันประกอบกับจิตของเราเหมือนมีแสงสว่างเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่าเกิดแล้วก็ดับไปในช่วงไหนที่จิตเราเป็นสมาธิ มันก็มีความผ่องใสความผ่องใสมันก็เลยเหมือนเป็นแสงสว่างขึ้นมาเป็นเพราะอาการของจิตเราเองแต่จิตก็เป็นนามธรรมาด้วยจิตนี้ก็เป็นนามธรรมาสังขารก็เป็นนามธรรมามันก็ไม่ใช่ตัวเราจริงๆจังๆหรอกตัวทั้งตัวจิตทั้งตัวสังขารแม้แต่จิตก็ไม่ใช่เราแล้วเพราะฉนั้นสังขาร น, นี่มันมาใส่จิตเกิด โอยมันยิ่งห่างไกลเรามากเลยแต่ความไม่รู้ของเราไปหลงยึดสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราไปเที่ยวเอาเรื่องทางนอกซึ่งมันมาเป็นปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสังขารแล้วก็มากุ้มลุงจิตใจแล้วเราก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่ก่อนไม่มีบางเรื่องเนี่ยมันเพิ่งเกิดก็มีอย่างบางเรื่องมันเกิดวันนี้ก็มีเกิดเมื่อวานนี้ก็มีดับไปแล้วก็มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาก็มี ทั้งทั้งที่มันก็เกิดดับให้เราเห็นทุกวันทุกวันแต่ว่าเราก็ไม่รู้จักวิธีที่จะชำระมันเพราะฉะนั้นหลักการของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อให้เรารู้จักความจริงเหล่านี้แล้วไม่สิ่งเหล่านี้มาบีบคันใจเราได้ไม่ให้มันมาทําให้เราเป็นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นต้องสารวจดูเรื่องราวที่มันบีบคั้นใจเราเนี่ยมันมาจากไหน ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องข้างนอกทั้งหมดตาไปเห็นแล้วก็เอาเข้ามาหาใจหูได้ยินเสียงก็เข้ามาหาใจจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสแล้วก็ใจมันนึกทรมาลมขึ้นมาเรื่องราวภายในจิตใจมันก็ย้อนมากระทบใจอีกทีนึงก็มีแค่นี้แหละทางมาของมันสรุปถ้าหาว่ามองในแง่ของการเวลา ไม่เป็นอดีตก็เป็นอนาคตเป็นอดีตมันก็ผ่านมาแล้วเรื่องเาวานี่ผ่านมาแล้วแต่ว่าจิตของเรายังไม่ปล่อยวางมันยังไปเอาเรื่องในอดีตมาปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นเลาในจิตใจวพาพระพุทธเจ้าสอนสาวกอย่งอางอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วไม่ให้คิดถึงมันแต่อันนี้เป็นคำสอน เราทําได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเอาอาดีตมาที่เราเคยผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นตรงนี้เกี่ยวกับข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ยินได้ฟังมาไปรู้ไปเห็นมาแล้วก็เอามาเลยเอามาพูดมาคุยแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาเรื่อยๆสังขารบางทีมันนิดเดียวแต่ว่าเอามาขยายออกไปในจิตของเราหรือไม่ไงั้นก็เป็นเรื่องอนาคต อนาคตก็มันยังไม่มายิ่งคิดไปเนี่ยมันเป็นแค่จินตนาการเป็นแค่ความคิดถึงเวลาจริงๆมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้แต่เราไม่สามารถยับยั้งจิตเอาไว้ไม่ให้ไหลไปในอดีตไม่ไหลไปกับอนาคตเคยมีคนหนึ่งนะเขาพยายามที่จะปฏิเสธอดีตเหมือนกับพยายามที่จะหมุนนาฬิกาย้อนกลับไปถ้าเป็นตอนนี้ไม่ทำไย่ถ้าเราไม่ทาอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ หน้าอย่างนั้นหน้าอย่างนี้วนเวียนอยู่เก่าวซ้ําไปซ้ํามาแล้วก็ทุกซ้ําแล้วซ้ําอีกต้องยอมรับมันเลยเคยทํามาเคยผิดพลาดบกพร่องมายอมรับแต่พระพุทธเจ้าวางหลักไว้ว่าต้องตั้งใจไว้ว่าจะไม่ทําอีกนี่แหละ ว, วิธีแก้กรรมต้องตั้งใจไม่ทําอีกด้วยนะยอมรับแล้วก็ตั้งใจไม่ทําอีกเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นบทเรียนเพราะทําแล้วมัน เป็นทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของเราเอามาเป็นบทเรียนเลยตั้งใจไม่ทําอีกแล้วก็ทําสิ่งที่ดีขึ้นมาทดแทนอันไหนเป็นกรรมดีเป็นอันไหนเป็นธรรมผู้เยาว์เขใช้คําว่าอันไหนเป็นธรรมเหมือนผู้เจ้าตัดกับพระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพ่อเลยหวของเราไม่ถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่นะกรรมมันไม่ได้หนักหนาะอะไรมากมายอะ่ะ เทียบกับพระเจ้าชาติศัตรูพระพู้เจ้าก็สอนพระเจ้าชาติศัตรูทุกมากพอได้ฟังทมแล้วหรือว่าตัวเองก็มีลูกด้วยกันรักลูกผูกพันกันลูกก็ระลึกถึงพ่อแล้วตัวเองฆ่าพ่อโอ้โหไม่มีความทุกข์ไหนเสมอเหมือนเลยนึกถึงคุณของพ่อที่เคยเลี้ยงดูมาให้กาเนิดตัวเองมาทรมานที่สุดเลยต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้า มิจารวดูก่อนมหาบ่อพิษเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษงานนี้ละถ้าหาว่าใครเห็นโทษในความผิดพลาดบกพร่องของตัวเองหรือในความไม่ดีของตัวเองเนี่ยแล้วให้แก้ไขคือไม่ทำอีกเนี่ยให้เลิกละกรรมนั้นเสียก็คือให้ไหม่ไม่ให้ทำอีกแค่นี้ก็เป็นกรรมดีขึ้นมาแล้วนะเป็นกุศลทันทีเลยนะ แต่ถ้ามัวแต่ไปคิดวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาอยู่มันก็มาทับถมตัวเองมาซ้ำเติมตัวเองเหมือนเอาทุกข์มาทับถมตัวเองเพราะนั้นเราต้องเข้มแข็งเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอามคามสอนของมูลเิ้ามาแทนที่มันก็มันผ่านไปแล้วนี่เอาคืนไม่ได้แล้วนี่ก็ยอมรับแล้วจะแก้ไขมีอะไรเกิดขึ้นหม นี่แหละทำดีที่สุดแล้วแล้วทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยจิตยอมรับได้ไหมอย่างนี้นี่มันดีที่สุดแล้วนะเกินนี้ไม่ได้อีกแล้วหยาบทุกก็ปรุงไปสิที่นี่ไม่สนใจแล้วก็บอกแล้วไม่เชื่อถ้ามันยังไม่หยุดก็ต้องมาฝึกมาปฏิบัติคือมันก็ต้องทำความดี ก็รอเวลามันเหมือนนี่แหละเขาเรียกวิบากของกรรมมันให้ผลทางจิตใจเขาเรียกวิบากผลของกรรมให้ให้ผลทางจิตใจก็ต้องยอมรับไปก่อนก็รอเวลาที่กรรมเหล่านี้มันจะหมดสิ้นไปมันจะได้เห็นโทษว่าเออต่อไปต้องทํากรรมดีแล้วกรรมไม่ดีเนี่ยแหมมันมันกุมลุมจิตใจ จ, จริงมันแผ่เผาจิตใจมันทําให้เดือดร้อนใจ มันทรมานใจคราวนี้เราก็จะพลิกและเปลี่ยนล้จิตเห็นโทษเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษก็ให้เลิกการกระทํานั้นเสียกรรมใดที่เป็นธรรมหมายว่าสิ่งไหนที่มันถูกต้องมันเป็นธรรมมันดีให้ทํากรรมนั้นชื่อว่าแก้กรรมเรียกว่าปฏิกรรมแปลว่าการแก้กรรมนี้คือการแก้กรรมในทาง พุทธศาสนาเป็นการแก้กรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอนาคตมันก็เป็นสิ่งที่ยังไม่มานี่พรูเจ้าบอกคิดไปมันก็เป็นแค่จินตนาการเป็นแค่ความคิดเพราะว่ามันยังไม่ได้ทําเหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องสอนใจด้วยและก็มีสติยับยั้งจิตตัวเองไม่ให้ไหลไปกับสังขารพวกนี้ พอสังขารมันเป็นสิ่งปรุงแต่งก็ต้องมีสติสติควบคุมจิตเพราะนั้นการที่เจริญสติมีกรรมฐานเป็นของตัวเองนั้นน่ะก็เพื่อให้มีสติรักษาจิตนี้แหละควบคุมจิตเอาไว้ถ้ามีสมาธิสังขารก็ดับลงไปแล้วดับชั่วคราวเฉย ถ้ามันยังมีกำลังอยู่บางทีมันก็มีผลดึงดูดจิตเราไปแต่ถ้าเรารู้จักมันแล้วมันเป็นแค่สังขารเป็นแค่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงมันก็ดับไปได้ถ้าเห็นมันดับไปเราก็ยิ่งแน่ใจว่ามันไม่มีตัวตนจริงมันดับไปได้จริงแต่ถ้ามันดับไปบางทีเรื่องอื่นมาอีก นี่ยำเป็นแล้วที่เราจะต้องฝึกจิตของเราให้รู้วิธีแก้ไขตรงนี้ให้ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็สรุปเป็นสองอย่างสำหรับแก้ไขความทุกข์คือความทุกข์นี่มันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนกันเป็นสังขารเหมือนกันมันก็ไม่มามีน้ำหนักในจิตของเราเพราะนพระพทธเจาถึงสอนให้มีสติ เพราะสติมันจะเป็นเครื่องกัน้นมันจะกั้นสังขารพวกนี้ถ้าหากว่าสติเราอ่อนสังขารมันก็มีโอกาสปรุงแต่งจิตเราได้เร็วได้มากเพราะว่ากําลังสติมันอ่อนสังขารมันก็รวดเร็วเราก็ไม่ทันมันกระทบอารมณ์นิดเดียวบางทีตอนกระทบยังไม่มีอะไรนะ พอเหตการผ่านไปปุ๊บมันเริ่มปรุงทันทีเลยมันปรุงทีหลังก็มีบางทีเราไม่รู้ซ้าตอนมันแวบบแวบบเดียวนะในจิตเนี่ยนิดหนึ่งแวบ๊บเดียวจากนั้นจิตก็ เ, เริ่มปรุงขึ้นมาเริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจากนั้นก็ขยายออกไปมันก็เริ่มทับถมจิตใจมีน้ำหนักขึ้นในจิตใจ ทำแวบเดียวรู้สึกขึ้นมาปั๊บถ้าเราทันมันมันจะดับคือเราทันมันแต่ถ้าไม่ทันมันมันเหมือนกับมันซ่อนอยู่ในจิตอ่ะรอเวลาที่มันจะประทุออกมาเพราะนั้นสติจึงจำเป็นมากต้องเจริญสติไม่เจริญสติไม่ได้เลยขนาดเราเจริญสติอย่างนี้นะมันก็ยังแอบเข้ามาได้ สติของเราอ่อนสติอ่อนก็เพราะว่าเรานี่แหละประมาทเองปฏิบัติน้อยไปเราก็เห็นอย่างอื่นสำคัญกว่าการที่จะมาปฏิบัติเพื่อมาให้มีทุกข์ใน จ, ใจิตใจเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าทำหน้าที่ไปเถอะทำหน้าที่ก็ท่านที่ต้องถูกต้องเลยนะถ้าไม่ถูกต้องก็อีกละย้อนกลับมาเล่นงานเราอีก hmm. แล้วก็มีสติในการทำหน้าที่นั้นไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องหนีหลีกออกไปจากหน้าที่การงานแต่ว่าต้องมุ่งเอาหน้าที่การงานเหล่านั้นเป็นเครื่องมือฝึกจิตใจเราด้วยเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยชีวิตของเราจะดีขึ้นทันทีเลยประเสริฐขึ้นทันทีเลย จเจริญก้าวหน้าขึ้นแ น, น่ๆได้ทั้งงานได้ทั้งธรรมะชีวิตเราก็ดำเนินไปได้ธรรมะก็จะเจริญขึ้นในจิตใจเราด้วยเมื่อมีสติแล้วสติไปกัน้นสังขารทั้งหลายไว้แล้วก็ตรงกับที่พระผู้เจ้าบอกว่าจิตของคนเราประพัดสอนผ่องใสระวังไม่ให้ กิเลสซึ่งเป็นอันอาคารตุกะจรเข้ามานี้มันเป็นอาคารตุกกะเท่านั้นนะสังขารเนี่ยที่มันมาในรูปของกิเลตันหาเนี่ยมันเป็นแค่สังขารมันเป็นแค่อาคารตุกะไม่ใช่จิตเราจริงๆไม่ใช่ตัวเราจริงๆมันเข้ามาแล้วมันก็มาคุกเขากับจิตของเราจิตของเราก็ไม่มีปัญญาก็ไปหลงคิดว่าตรงนั้นเป็นจิตไปเอาความคิดมาเป็นจิต แต่ความคิดนั้นเป็นแค่สังขารมาอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับมันปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะมาครอบงำจิตเป็นอาคารตุกาดจรเข้ามาไม่มีตรงไหนที่มันบอกให้รู้ว่าเป็นเราแต่จิตของเรามันหลงมีความหลงหลงว่าสังขารเป็นตัวเราเป็นของเราเพอเราะะรู้สึกนึกคิดอะไรขึ้นมาก็เป็นเราเป็นเราไ ป, าปหมดเลย มันก็เลยเป็นเหมือนเราจริงจังขึ้นมาเพราะนคนที่เขาเขาไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยหลงชนิดที่รุนแรงมากเพราะนั้นเขาจะเชื่อความคิดของเขาเองว่าเป็นจริงเป็นจังคนทะเละาะเบาะแว่งกันมากมายก็เพราะนี่แหละเชื่อความคิดยึดความคิดก็คือว่ายึดความเห็นของตัวเองความคิดความเห็นว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราเ ป, เป็นตัวเป็นตนแล้ว มันก็สร้างปัญหาสร้างทุกข์ได้แต่พระพุทธเจ้าก็บอกทางให้ที่เรามาปฏิบัติธรรมก็คือมาหาทางออกให้มีสติเป็นเครื่องกัน้นเพราะนั้นเราจเจริญสติกันพยายามมีสติพยายามรู้รู้เข้ามาให้จิตเนี่ยมันอยู่ในกรอบของสติเหมือนกับอยู่ในสายตาของสติหรืออยู่ในสายตาของเรา อยู่ในอำนาจของเราเพราะนั้นต้องทําทุกวิถีทางที่จะให้สตินี้ควบคุมจิตได้กั้นจิตได้ไม่ให้จิตมันไหลออกไปข้างนอกเพื่อไปเอาเรื่องราวเข้ามากุ้มหลุมจิตใจเรื่องก็เป็นเรื่องข้างนอกด้วยไปเห็นไปได้ยินไปได้กลิ่นไปได้รสมา ไปถูกต้องสัมผัสมาใจนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ย้อนเข้ามาครอบงาจิตเราเล่นงานจิตเราเพราะนั้นสติต้องกั้นไว้ก่อนเมื่อกั้นไว้แล้วจิตจึงเป็นสมาธิขึ้นมาจิตก็อยู่กับอารมณ์เดียวนานขึ้นก็เป็นตัวสมาธิเพราะนั้นสมาธินี่จะต้องอยู่กับอารมณ์เดียวเป็นเวลา น, านานขึ้นเรื่อย ทามันอยู่ห้านาทีก็จะเรสมาธิห้านาทีอยู่กับอารมณ์เดียว10บนาทีก็เป็นสมาธิสิบนาทีที่สมาธิมันก็มีความละเอียดความหยาบความละเอียดตามลาดับมีความลึกซึง้งไม่ลึกซึ้งตามลาดับขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราแต่เวลาปฏิบัติก็มีหลักเหมือนเดิมคือไม่ต้องอยากให้พอใจปฏิบัติพอใจสร้างเหตุ ผลแล้วแต่สภาวธรรมดีไม่ดีไม่เป็นไรขอให้ได้ปฏิบัติได้ผลไม่ได้ผลไม่เป็นไรขอให้ได้ปฏิบัติมันจะมีความคิดบ้างขอให้ได้ปฏิบัติสงบไม่สงบขอให้ได้ปฏิบัติยืนหลักอยู่อย่างเนี้ยก็คือปฏิบัติได้สบายขึ้นจิตของเราก็ไม่ไม่ไปยินดียินไล้กับผลของการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไป อันที่หนึ่งสติเป็นเครื่องกันเมื่อสติมีกำลังควบคุมจิตได้แล้วสมาธิก็ค่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆมีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เ, เมื่อ ส, สมาธิมีกำลังเพิ่มขึ้นสติก็จะรู้อารมณ์มากขึ้นเรยวมีสติสัมปชัญญะอะไรเกิดขึ้นรู้ มีสติมีสัมปชัญญะนี่คือสติต้องมีกำลังด้วยอะไรเกิดขึ้นแต่ก่อนมันมันอยู่กับอารมณ์เดียวต่อมานี่เริ่มขยายตัวออกมาแล้วเหมือนเราเห็นคนครั้งแรกปับ๊บเราดูหน้าเขานี่คือสติมันทำงานแล้วต่อมาก็ํำรวจตั้งแต่เท้าขึ้นไปถึงไปดูรายละเอียดทั่วร่างกายของเขานี่เรียกว่าสัมปชัญญะ มีสติมีสัมปชัญญะสมาธิมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วพอสติมีกำลังเมื่อไหร่จิตก็ตื่นตัวมั่นคงขึ้นมาจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นในที่นี้ก็คือว่ามันประหารความฟุง้งซ่าน่ะไม่ฟุ้งซ่านไปไหนจิตแน่วแน่จิตเป็นหนึ่ง เป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งแบบชนิดรู้ด้วยรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยอันนี้แหละเป็นสัมมาสมาธิคราวนี้จิตก็จะเห็นเห็นอารมณ์เห็นสังขารเกิดขึ้นดับไปสัญญาเกิดขึ้นกระดับไปการทำงานของขันหามันเป็นแค่กระแสความเกิดดับเห็นชัดเจนถ้ายังไม่เห็น ก็แสดงว่ากําลังของจิตของเราอินทรีย์ของเรายังอ่อนอยู่ก็ต้องปฏิบัติเลือดไปก่อนไม่ใช่ฟังปุ๊บรู้เข้าใจแล้วจะเป็นทันทีไม่ได้อยู่ที่การฝึกฝนอบรมของเราเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือความเพียรสําคัญตรงความเพียรพยายามอดทนมุ่งมั่นบักบันนี่แหละพระพุทธเจ้ายกความเพียรมาอันดับหนึ่งคนที่ปฏิบัติธรรมจะต้องมีความเพียรอันดับหนึ่ง อันดับที่สองต้องมีปัญญาปัญญาในที่นี้คือปัญญาตั้งแต่ปัญญาจากการได้ยินในฝังเชื่อว่าเมื่อเกิดแล้วต้องดับไปคือปัญญาที่มันน้อมไปสู่พระไตรลักได้เรื่องอะไรอะไรผ่านเข้ามาก็ตามหนักขนาดไหนก็ตามผ่านมาแล้วต้องผ่านไปจนได้เกิดแล้วต้องดับไปจนได้ตอนที่มันยังไม่ดับ เป็นเพราะอุปทานของเราไปยึดมันไว้ไปกอดลัดมันไว้ไปพัวพันมันไว้อุปทานมีก็เพราะว่าความอยากของเราอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเหตุก็มาจากจิตของเราอีกแหละมันไปอยากอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ธรรมชาติมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นบ้านเมืองเหตุการณ์ต่างๆมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นโลกมันก็เป็นอย่างที่มันเป็น แต่ธรรมชาติภายในจิตของเรานี้มันแตกแยกไปจากธรรมชาติมันอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการเท่านั้นถ้าไม่เป็นอย่างที่เราต้องการมันไม่ชอบใจมันขัดข้องอยู่ในใจไม่ว่าจะเกี่ยวกับอะไรก็ตามมันก็ไปยึดความคิดความเห็นตัวเองว่าถูกต้องนี่เพราะมันอยากให้เป็นอย่างที่ตัวเองคิดอย่างตัวเองชอบใจ อย่างที่ตัวเองต้องการมันวางไม่เป็นนี่แหละคือตัวตนมัน ซ, ซ้อนเข้ามาแล้วถ้าไม่เห็นตรงกันเราก็ผิดไปไม่ถูกต้องไม่เอาปฏิเสธนั่นแหละคือมันไปยึดแล้วแต่ถ้าหาว่ามีปัญญาขึ้นมาถ้ามีปัญญาเนี่ยมันจะยอมรับว่าเออมันเป็นแค่ความคิดความเห็นนะมันถูกทำหรือเปล่าก็ไม่รู้ มันตรงกับความจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามันไม่ตรงกับความจริงก็ต้องปล่อยวางเป็นถ้ามันตรงกับความจริงก็มันก็เป็นธรรมะมันตรงกับธรรมะมันเป็นเรื่องของธรรมะมันไม่ใช่ว่ามันเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นเรื่องของเราแต่มันเป็นเรื่องของธรรมะเพราะมันตรงกับความจริงความจริงคือธรรมะคือธรรมชาติก็ต้องรู้จักวางให้มันเป็นธรรมะเป็นเรื่องของธรรมะ ความคิดเห็นที่ผิดมันก็ไม่ใช่ธรรมอยู่แล้วพ้นผิดจากธรรมผิดจากความจริงความที่เห็นที่ถูกต้องเป็นธรรมมันก็เป็นธรรมะมันไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปยึดมั่นถือมั่นมั่นเอามันมาเป็นของเราเป็นตัวเราการฝึกจิตเนี่ยมันจะทำให้เรามีปัญญาได้เห็นหน้าเห็นตาสิ่งเหล่านี้ คือมันมาทำให้เราเป็นทุกข์นี่หรือจะมองให้ลึกเข้าไปมันเกิดแล้วก็ดับทั้งหมดแหละไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงมันก็รู้จักวางได้ปล่อยได้ทิ้งออกไปได้มันก็จะดับออกไปจากจิตใจของเราเพราะนั้นผู้เจ้าจึงบอกว่ามีสติเป็นเครื่องกันมีปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนเพราะนั้นผู้ปฏิบัตินี่ต้องมีปัญญาปัญญาก็คือปัญญา น้อมไปสู่พระไตรลักษณ์เชื่อในความเป็นจริงเกิดแล้วต้องดับไม่มีตัวตนอยู่จริงตลอดกาลานานตลอดไปเมื่อมีความเพียรมีปัญญาในลักษณะนี้ประกอบกับมีบา ร, รมีแต่ผู้ที่มาปฏิบัติที่นี่ต้องมีบา ร, รมีไม่มีบุญไม่มีบา ร, รมีเนี่ยไม่อยากมาหรอก พอมาก็ต้องอดทนกว่าจะเดินทางมาได้มาก็มาต้องมานั่งสมาธิเจ็บปวดทุกทรมานก็พยายามทนพยายามฝืนเพื่อที่ตัวเองมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็มีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนเสียสละเวลาเวลาเสียสละหน้าที่การงานนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าต้องมีบุญบรารมี พอสมควรพอที่จะรองรับเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าได้สรุปแล้วสามอย่างนี้ความเพียรมาอันดับหนึ่งสติปัญญาอันดับสองส่วนบารมีนี่อันดับที่สามเพรา ะ, ะนั้นความเพียร น, นี่ต้องอาศัยความไม่ประมาทด้วยบางทีความไม่ประมาทประมาทคือยังไงประมาทก็คือส่งใจไปคิด แต่จะเอาแต่เรื่องราวที่มาทำให้ตัวเองเป็นสุขไปเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสพธะธรรมารมณ์นี่มันจะไปเอาพวกนี้มามันส่งใจไปคิดดิว่าการมาฉันทะนิวรณ์ก็ได้มันไปส่งใจจะไปเอาแต่เรื่องข้างนอกมาทำให้ตัวเองเป็นสุขมันไม่รู้ว่าความสุขนี้คือ อยู่ที่จิตของเรานี่แหละที่มันไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องไม่มีเรามันเป็นความสุขที่แท้จริงมันก็ไปเที่ยวจะไปเอาแต่เอาเรื่องข้างนอกเอาวัตถุข้างนอกมาทำให้ตัวเองเป็นสุขนี่คือประมาทแล้วมันส่งใจไปแบบนี้ไปคิดวุ่นวายอยู่กับเรื่องข้างนอกมันก็เป็นทุกข์เพราะตัวเองประมาทหรือผ่านวันประกันพุง่ง ทำน้อยก็คิดว่ามากเห็นอย่างอื่นสำคัญกว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าขีเขียดติขีขานใช่หมดเลยประมาทหมดเลยบังคับควบคุมตัวเองก็ไม่ได้ความทุกข์มันก็เข้ามากุ้มลุมจิตใจเราได้พอสติของเรามันไม่มีกำลังพอที่จะไปกั้นอารมณ์ได้ พอไม่สามารถกั้นจิตไม่ให้ไหลไปกับอารมณ์ข้างนอกได้จิตเราก็ไม่เป็นสมาธิก็ไม่มีสัมปชัญญะไม่มีปัญญาพราะนั้นจำเป็นจะต้องมีความเพียรไม่เกลียดข้านมีใจมุ่งมั่นบากบันเด็ดเดียวอาหารหาโอกาส สำมรวมจิตใจตัวเองสำหรับบางคนก็ดีเพราะว่าฝึกตัวเองจนกระทั่งสามารถทำสมาธิได้ทุกขณะคือถ้าหากว่าแรกๆนี้ก็ถ้าใครเริ่มต้นใหม่ๆนี้จะเห็นว่ามันมันเข้าสมาธิได้ยาก แต่ถ้าหากว่าปฏิบัติไปเรื่อย ๆ, ๆแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นธรรมดาไปมันทํางานเองได้มันเข้าสมาธิเองได้ยืนเดินนัง่งนอนได้นัง่งรถเมคขับรถยนต์อะไรนี่ทําสติขึ้นมารักษาจิตเป็นสมาธิได้จะมีประโยชน์มากถึงยังไม่บรรลุมรรคผลก็ตามแต่ว่าก็เริ่มได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เราดำเนินชีวิตไปชีวิตมีความสุขสบายขึ้นมานั่นก็คือความทุกข์น้อยลงไปแล้วมันก็มีคุณค่าต่อชีวิตของเรามากเพราะฉะนั้นมีสติเป็นเครื่องกันปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนเริ่มตั้งแต่ปัญญาเข้าใจเรื่องชีวิตของเราเองเรื่องการทำงานของขันห้า เรื่องการที่จิตของเราไม่ได้รับการฝึกหัดไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการประพฤติปฏิบัติดีพอมันก็ไปเอาทุกข์ข้างนอกเข้ามาทับถมตัวเองให้เป็นทุกข์พอมีสุขก็ไปยึดไปติดไปข้องอีกไปยอมมันไปสยบมัวเมากับมันลุ่มหลงไปกับมัน มันก็จะมีแต่นำความทุกข์มาให้พอไปหลงมันแล้วไปสยบกับมันแล้วเป็นธาตุมันแล้วจิตก็อ่อนแอลงไปคือมีสุขก็ขมีสุขได้แต่ว่าต้องไม่เป็นหลงมันไม่ไปสยบมันรู้ว่ามีความสุขเราเรามีต้องการอะไรได้มา ขาวปลาอาหาเสื้อผ้าแพรพันเครื่องใช้ไม้สอยมีรถเครื่องอำนวยความสะดวกมีบ้านมีเรือนมันก็ดีเพราะมันทำให้เราความเป็นอยู่ของเราสุขสบายยิ่งมีโอกาสได้ทำบุญสุนทานด้วยมีโอกาสทำให้เราได้ปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธ ไม่ต้องไปทิ้งมันไม่ต้องไปกลัวมันว่าจะเป็นกิเลสตัณหานอกจากเราไปหลงมันเองไปยอมเป็นทาสมันเองเราต้องอยู่เหนือมันใช้มันให้เกิดประโยชน์ทำให้เรามีชีวิตที่สุขสบายพอเกิดมาแล้วเนี่ยเมื่อเราต้องไม่ต้องการมีทุกข์เราก็ทาให้เรามีความสุขได้อาศัยปัจจัยสี่อาศัยปัจจัยภายนอก ทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้แต่ต้องไม่เป็นหลงมัวเมาไปสยบไปยอมเป็นทาตมันสิ่งที่มาอำนวยความสุขให้เราแท้ๆกลับมาทำให้เราเป็นทุกนี้เสียท่าเลยนะแล้วที่สำคัญดำเนินชีวิตไปต้องหาทางออกจากทุกขอัถ้าอย่างนี้ชีวิตประเสริฐขึ้นทันทีดีขึ้นทันทีเลย ทุกนี่ยมันมันก็เข้ามามันรวดเร็วอ่ะมันมามันมันเวลามันเข้ามามันมันเหมือนเป็นเราอ่ะคิดดูกันแล้วกันมันเหมือนมาเป็นความคิดของเราเองน่ะคิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเราคิดขึ้นมาแต่ความคิดนี่มันรวดเร็วมากอะมันเป็นแค่สิ่งที่มาอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับไม่ใช่จิตเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับเรียกว่าเตยเจตสิกหรือเรียกว่าสังขาระขันกองแห่งสังขาร กองของความคิดปรุงแต่งสิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเป็นพลรหารเนี่ยก็มีความคิดเหมือนกันแต่เหมือนกับว่าความคิดนั้นเกิดแล้วดับเองแยกกันเด็ดขาดกับจิตจิตจะเห็นเห็นสังขารเกิดขึ้นสว่วกระทบอารมณ์ปับ๊บความรู้สึกก็มีด้วยรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้น แต่ก็ไม่ยึดความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราคือมันเป็นแค่อาการของจิตวบขึ้นแล้วกระดับนึกอะไรขึ้นมาวุบแล้วกระดับไปแล้วก็รู้ด้วยว่าตอวเรานึกอย่างนี้แล้วกระดับคิดอย่างนี้แล้วกระดับเป็นแค่ความคิดมันจึงเป็นไม่ใช่จิตเด็ดขาดเลยความรู้สึกเกิดขึ้นก็ดับความคิดเกิดขึ้นก็ดับตัวรู้ก็อยู่เฉยเฉยรู้แล้วกระดับ มันเป็นกระแสของความเกิดดับมันก็เลยไม่สามารถสร้างทุกข์ให้กับผู้ที่ฝึกฝนอบรมจนรู้ความจริงสูงสุดแล้วถ้าเราฝึกไปเราก็จะเดินไปตามทางสายนี้เหมือนกันเป็นไปเพื่อความไม่มีทุกข์เหมือนกันเพราะความจริงมันมีอยู่แล้วถ้าเราฝึกไปมผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นมันต้องไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันถ้ามันถูกทาง ถูกตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของใครที่ตรงกับพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าถูกต้องใช้ได้เราเดินตามได้แต่ถ้าคำสอนไหนมันไม่ตรงกับของพระพุทธเจ้ามันจะถูกใจเราขนาดไหนเราก็ไม่ควรปฏิบัติตามไม่ควรเดินตามเพราะมันไม่ตรงกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนี้ปลอดภัยมั่นใจ เมื่อเราเดินทางถูกต้องสติของเราก็ดีขึ้นกั้นอารมณ์เอาไว้กั้นจิตเอาไว้ไม่ให้จิตไหลไปกับอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เข้ามาครอบงาจิตอารมณ์มันก็เป็นแค่อาคารตุกตักไม่ให้เข้ามาไม่เข้ามาทับถมจิตเราทีนี้ เมื่อมันกั้นไว้ได้แล้วจิตก็มีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วคราวนี้เราใช้จิตเนี่ยนึกคิดความจริงได้เพื่อให้จิตมีพลังเพิ่มขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นคิดเพื่อนาจิตให้สงบนาจิตให้มีกำลังนาจิตให้มั่นคง แล้วทีนี้พออะไรเกิดขึ้นจิตจะไปเห็นเองนี่มันต้องมาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นที่คิดอบรมจิตเนี่ยสอนจิตนี่ก็เพื่อให้จิตเนี่ยมันมีพลังขึ้นมามันดื่มดํามันลึกซึ้งมันมีความเข้าใจมากขึ้นอินทรีย์ก็แก่กล้าขึ้นไม่ได้ห้ามความคิดแต่ คิดแล้วเราไม่เป็นหลงกับความคิดคิดแล้วจิตมันเข้าใจด้วยอย่าเพราะจิตมันสงบอย่างนี้แค่เราคิดเรื่องความตายเนี่ยบางทีมันสลดเลยนะกาลังมีมีสังขารอะไรกุ้มลุมจิตใจอยู่เนี่ยเราปาลบเรื่องความตายขึ้นมาเนี่ยบางทีมันสลดใจมันปล่อยอารมณ์นั้นทันทีเลยเอาเราเดี๋ยวเราก็ตายแล้วอ่ะ ต, ตายแน่ๆอีกไม่นานด้วยเนี่ยอายุเราก็มากขึ้นแล้วอะมัวแต่จะไปหลงสังขารมัวแต่ไปคุ้นคิดเรื่องไร้สาระอยู่ไม่ได้มันก็จะรู้จักวางนี่นี่คืออาศัยความคิดเหมือนกันคิดนำไปคิดให้มันตรงกับหลักความจริง อย่างที่เราฟังเรื่องสังขารก็เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรามันมากขึ้นเพื่อให้ความคิดมันออกมาถูกต้องว่าเออมันเกิดแล้วต้องดับนะไม่ใช่ของเราจริงนะคือถ้าหากว่ามันมันมั น, ม, นมันไม่ยึดสังขารพวกนี้ไม่ยึดขันห้าพวกนี้ไอ้ตัวจิตนี่มันจะเป็นตัวรู้อยู่เฉย มันรู้โดยที่ไม่เหมือนไม่ไม่ใช่เราเหมือนเป็นธรรมชาติอันหนึ่งต่ว่าจิตมันก็ไม่ใช่เหมือนมันเป็นธรรมชาติไปมันเหมือนตัวจิตนี้มันหายไปเลยเพราะไอ้ตัวรู้นี่มันรู้อยู่เฉยไอ้ตัวสังขารเกิดแล้วกระดับไปมันเลยไม่มีอะไรเลยมันไม่ไม่สามารถเป็นจิตได้เพราะมันเกิดแล้วก็ดับไปสัญญาเกิดแล้วกระดับไป วิญญาณเกิดแล้วก็ดับไปผู้รู้ก็รู้อยู่เฉยๆเป็นธรรมชาติธาตุรู้มันก็เลยเข้าไปรับรู้ว่าเออจิตจริงๆเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่จิตอะมันเหมือนกับว่างเปล่าไม่มีตัวตนจริงมันต้องลึกซึ้งมันต้องละเอียดมันนี่จะเข้าไปถึงนี่ แต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วมันทุกข์ไม่เกิดขึ้นแน่นอนแหะเพราะมันมีอะไรเข้าไปถึงได้เพราะนั้นผู้ที่ได้เดินตามทางที่ไม่มีทุกข์เนี่ยมันจึงประเสริฐที่สุดเลยมันเป็นทางออกของชีวิตของแต่ละคนเพราะถ้ามีชีวิตไปมันก็ทุกข์ไปเดี๋ยวเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามา ว้าวุ่นขุนมัวเจ็บปวดทุกทรมานกุ่มลุมจิตใจทรมานจิตใจจะหาเวลาที่มันไม่มีทุกเลยก็ยากนอกจากเราอยู่ในสมาธิหรือว่าผู้ที่มีมรรคมีผลบ้างแล้วก็ยังมีทุกอยู่แต่ก็เบาบางลงไป แต่ถ้าถึงมรึงผลแล้วจิตยิ่งพอใจที่จะออกมันเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนใกล้เข้าไปแล้วใกล้เข้าไปแล้วยังไงต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้เนี่ยพวกมรกผลจะเป็นอย่างนี้คือเห็นประโยชน์แล้วเห็นช่องทางที่จะไม่มีทุกข์แล้วก็ต้องอาศัยสมาธินะเป็นบาดฐานของปัญญาเพราะปัญญาเป็นเครื่องถอนถอนถ้าไม่มีสมาธิ กำลังที่จะถอดถอนก็ไม่ได้อีกก็เลยต้องมาปฏิบัติปฏิบัติก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามอดทนมุ่งมั่นบากบัน่นไม่ทออถอยแล้วก็ต้องมีปัญญาปัญญาที่เห็นความเกิดดับ ของรูปของนามนั่นคือปัญญาที่มันที่มันมีสมาธิแล้วก็บารมีสามอย่างนี้เพราะนั้นถ้าใครมีปัญญาเชื่อเชื่อในการตัดสู้ของพุติเจ้ายอมรับธรรมของมาพูติเจ้าก็ต้องอาศัยศรัทธาด้วย สายความเพียรศรัทธาความเพียรแล้วก็มีปัญญาเห็นว่ามันเกิดแล้วต้องดับผ่านมาแล้วต้องผ่านไปจนได้ไม่ว่าเรื่องอะไรใหญ่โตขนาดไหนก็ตามบุญบา ร, รมีทุกคนมีอยู่แล้วถ้าใครมีบุญบา ร, รมีมากความเพียรก็จะมากความมุ่งมั่นบัก บ, บันก็มากจิตก็มีกำลังที่จะปฏิบัติ เด็ดเดียวอาฐานทางนี้เท่านั้นออกจากทุกได้แล้วพุทธเจ้าก็สรุปด้วยว่าสมบัติที่แท้จริงของมนุษย์สมบัติที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนคือพระนิพพานเท่านั้นสมบัติในโลกนี้มีใครเอาอะไรไปได้บักทับสมบัติข้าวของเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยบ่านเรือนรถยนต์ลูกล้านเลนสามีภรรยาหมดเอาไปไม่ได้ สักสิ่งเดียวอันนี้ไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงสมบัติที่แท้จริงก็คือพานิพานถ้าได้สมบัติอันนี้แล้วไม่มีทุกข์แล้วเป็นสมบัติของเราตลอดกาลทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักทุกข์อีกต่อไปทุกเรื่องถ้าไม่ถึงพานิพานจบไม่ได้ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเพราะมันเป็นสังคตรธรรมเป็นสิ่งที่ปุงแต่งขึ้นมาอสังคตรธรรมคือพระนิพพานเท่านั้นจบชีวิตก็ไปสิ้นสุดที่ตรงนั้นคําตอบทั้งหมดอยู่ที่พระนิพพานพระผูทธเจ้าก็ต้องบรรลุพระนิพพาน แล้วพระองค์จึงได้คำตอบแล้วจึงเอาความจริงมาเปิดเผยให้สาวกของพระองค์ฟังผู้ที่ปฏิบัติตามก็มีจุดหมายปลายทางอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงแล้วคือพระนิพพานเหมือนกันถ้าใครยังเห็นอย่างอื่นสำคัญ มากกว่าพระนิพพานก่อนเราต้องเวียนว่าวตายเกิดต่อไปแต่ถ้าใครมุ่งมั่นยังไงก็ตามต้องพยายามให้ได้นี่ก็เรียกว่าจะพบคำตอบชีวิตก็สมบูรณ์เต็มที่ก็ต้องถึงพรนิพพานถ้าไม่ถึงพรนิพพานยังไงก็ไม่สมบูรณ์เพราะมันเป็นสินปุ้งแต่งสังฆตาธรรม ทที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่อสังคต ธ, ธรรมอสังคต ธ, ธรรมคือพระนิพพานเท่านั้นเพราะนั้นชีวิตของเราดำเนินไปก็เพราะว่ามีสังขารปรุงแต่งจิตใจ้านี้มองในแง่ของสังขารมันก็อาศัยสัญญาอาศัยเวทนา ทำให้เกิดสังขารปรุงแต่งขึ้นมาอาศัยวิญญาณไปรู้อารมณ์ไปรู้อารมณ์แล้วก็มีสัญญาอยู่ในนั้นก็ไปจำมาจำแล้วก็บางทีก็มีเวทนาขึ้นมาสังขารก็ปรุงไปวิญญาณรับรู้ก็ส่งต่อกันไปมีร่างกายก็มีเวทนาขึ้นมามีความรู้สึกขึ้นมาเป็นสังขารขึ้นมาเป็นสัญญาขึ้นมา วิญญาณไปเรารู้กปุงแต่งไปเป็นเรื่องของการทำงานของขันห้าทั้งหมดแต่เราหลงว่าขันห้าเป็นของเราอยู่อุปท า, านในขันทั้งห้าจึงเป็นตัวทุกข์กาวโดยยอดด้วยรวบลัดตัดตอนต้องทำให้หมดอุปท า, านในขันทั้งห้าต้องย้อนมาที่วิธีการอีกอะ่ะเครื่องมือ ก็ต้องมาเจริญสติฟังเข้าใจแล้วมาเจริญสติเจริญสติแล้วก็ควบคุมจิตไว้กั้นจิตไว้จิตเป็นสมาธิขึ้นมาต้องให้จิตไม่ยินดียินร้ายกับอะไรเป็นกลางใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นแล้วก็ต้องให้มารู้ความจริงตรงนี้ไปรู้อย่างอื่นไม่ใช่ทางออกแน่แนเพราะอุปทานในขันธ์ห้าคือตัวทุกข์ เรามีอุปท า, านเราลงยึดขันห้าก็ต้องให้จิตมันมาเห็นขันห้าว่ามันอยู่ของมันมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของมันถ้าเห็นอย่างนี้มันจะคลายออกคลายออกเรื่อยๆไม่ว่าเป็นกายเวทนาหรือว่าจิตมองในแง่ของสติปัฏฐานสี่มันก็คือกายเวทนาจิตธรรมแต่มองในแง่ของขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ถ้าจอยลงที่ร่างกายอย่างเดียวมันก็อาศัยรูปทั้งหลายมาประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายรูปใหญ่ๆก็คือมหาอุตรูปสี่มันจึงเป็นธาตุดินน้าลมไฟก็คืออันเดียวกันหลักเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าขยายออกไปพูดให้มันหลายแง่หลายมุมเพื่อให้มันครบถ้วนเท่านั้นเองจริงๆอันเดียวกันแต่พูดไปในมุมในแง่มุมของกาย กายก็คืออาศัยรูปหลายๆรูปรวมกันรูปใหญ่ๆก็คือมหาภูตารูปทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าเห็นว่าธาตุไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเพราะอาศัยสิ่งที่ประกอบกันขึ้นก็ต้องอาศัยสมาธิด้วยถ้ามองในแง่ของธาตุจิตก็เป็นวิญญาณธาตุก็คือธาตุคือธรรมชาติ ไม่มีตรงไหนบอกว่าเป็นตัวเราธาตุก็เป็นธรรมชาติร่างกายก็เกิดจากาธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณธาตุความว่างก็เป็นอากาศสภาพเอาต่อไปนี้จะให้ปฏิบัติตามลำพัง เอาเตรียมตัวนะให้รู้สึกตัวดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายนะมีอะไรเกิดขึ้นกับกายเรากับจิตเราบ้างคราวนี้เข้ามาตรวจสอบดูผลของการปฏิบัติของเราในวันนี้ทำความรู้สึกตัวแล้วก็สังเกตดู ร่างกายมีเวทนาทางกายมีไหมเจ็บใครได้ป่วยตรงไหนมันมีอาการยังไงนี่คือเอาความรู้สึกของเราเข้าไปดูแลเอาจิตเข้าไปดูดูในที่นี้บางคนอาจจะเห็นเห็นร่างกายเห็นการทำงานของร่างกายบางคนก็รู้คือเห็นด้วยใจเห็นในความรู้สึกของตัวเอง ว่าตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนั้ น, ท, online, น, น, น, นทั้งสองอย่างนี้ก็ถือว่าเห็นสภาวธรรมเหมือนกันเห็นว่าเป็นเรื่องร่างกายแต่ก่อนว่าเป็นเราเจ็บเป็นเราปวดเราเป็นนั่นเป็นนี้แต่คราวนี้มันเห็นว่าเป็นร่างกายมันเห็นว่าความเจ็บนั้นก็เป็นเวทนาเป็นแค่ความรู้สึกจิตของเราไม่ได้ไปยึดว่าเป็นของเราเป็นตัวเรา คือมันเห็นตัวเห็นคือจิตเห็นเมื่อผู้หนึ่งเป็นผู้เห็นสิ่งอื่นเป็นสิ่งถูกเห็นมันเป็นจิตไม่ได้ตอนนี้จิตเหมือนกับเป็นเราชั่วคราวไปก่อนมันจึงเหมือนว่าเราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้ดูส่วนความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่จิตเห็นมันรู้ด้วยจิตบางทีไม่มีคำอธิบายบางทีไม่มีคาพูดบางทีจิตก็พูดได้ไม่ใช่ของเรา มันอยู่ของมันหรือถ้าหาว่ากําลังจิตไม่พอบางทีมันก็ปรุงแต่งไปในทางที่ทําให้เราเป็นทุกข์ได้นี่คือสังขารชนิดหนึ่งมันก็จะหาทางหลีกเลี่ยงอยากให้สิ่งเหล่านั้นดับไปนี่คือไม่สามารถรักษาความเป็นกลางได้เพราะว่ากําลังของจิตเรายังไม่พอก็ต้องฝึกกันต่อไปเพื่อให้จิตมีกําลังเพิ่มขึ้น ไม่ถอยเมื่อไม่ถอยกำลังของจิตเพิ่มขึ้นก็ต้องไปเห็นแบบเดียวกันคือว่ามันอยู่ของมันไม่ใช่ของเราเกิดแล้วดับไปผ่านมาผ่านไปถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่มีผลต่อจิตเราสักอย่างึ่งมันจะต้องเกิดและต้องดับหมดนี่คือมันฝึกจากข้างใน จิตเห็นข้างในแล้วมันจะทะลุออกไปเข้าใจเรื่องราวข้างนอกเรื่องราวในธรรมชาติทั้งหมดนี่คือปัญญายาณที่เราเกิดจากการที่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีปัญญามันสามารถไปเข้าใจ ระบบของการดำเนินชีวิตระบบของธรรมชาติได้มีความนึกคิดอะไรอะไรมาปรุงแต่งจิตเราอะไรที่จิตมันไปหลงว่าเป็นเราเป็นของเราอาดีตมันวางได้ไหมอนาคตก็ยังไม่มา อนาคตนี้เราก็วางแผนได้คิดได้แต่คิดแล้วต้องมีข้อยุติมีข้อสรุปให้แก่ตัวเองว่าเราจะต้องทําให้ดีที่สุดของมันสร้างเหตุส่วนผลแล้วแต่เพราะมันยังไม่มาถึงถ้าเราไปคํานึงถึงแต่ผลเนี่ยไอ้ผลเนี่ยมันก็จะมากุ้มลงจิตเราเกิดความกลัวเกิดความกังวลเกิดความหวั่นไหวเกิดความหวั่นระแวงขึ้นมาเนี่ยมันสร้างทุกข์ขึ้นให้กับเรา เราต้องมีปัญญามาช่วยอบรมจิตเราวางแผนไว้เรียบร้อยต้องทำอย่างนี้ขั้นตอนเป็นอย่างนี้อย่างนี้รับรู้แล้วมีเหตุมีผลอย่างนี้แล้วก็มาสร้างเหตุให้ถูกต้องให้ดีที่สุดผลเป็นยังไงไม่สำคัญแล้วเพราะผลนี่เราควบคุมมันทั้งหมดไม่ได้มันขึ้นอยู่กับอำนาจของกรรมด้วยขึ้นอยู่กับผลการกระทําของเราด้วยเกี่ยวกับเหตุการณ์ข้างนอกด้วยเกี่ยวกับคนอื่นด้วย เหตุปัจจัยมันเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยเราไม่สามารถจะไปควบคุมผลทั้งหมดได้แต่เราสร้างเหตุได้ทำเหตุให้ดีให้ถูกให้ต้องสมควรแก่ฐานะสมควรแก่สาภาพของตัวเองเหมาะสมแก่ตัวเองพอดีกับตัวเองมันก็จะเป็นทางออกทำให้เรามีทุกน้อยลงไปเรื่อย ดูตัวเองแล้วก็สอนตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายละสุดท้ายให้การปฏิบัติธรรมของเราในวันนี้เป็นเครื่องสักการะบูชาแด่พระพุทธเจ้าเพราะมีพระองค์เราจึงได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์บูชาแด่พระอริยสงฆ์บูชาแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์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 พฤตปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมจนพ้นจากทุกเนวตัดสงสารโดยเถิดแล้วก็รวบร ว, วมกำลังบุญของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมเข้ามาไว้ที่จิตของเราเตรียมที่จะอุทิศบุญตั้งใจอุทิศบุญ ความอำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงดนบันดาลบุญของข้าพเจา้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวนของข้าพเจา้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของพ่อของแม่สามีพันยาลูกหลานพี่น้องผู้มีพวกคุณของข้าพเจา้าให้แก่ดวงวิ ญ, ญญาณทั้งหลายที่สิงสถอยู่ในสถานที่แห่งนี้ดวงวิ ญ, ญญาณทั้งหลายที่คอยชื่อเหลือเกื้อกูลพระพุทธศาสนา ช่วเหลือเกื้อกูลผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูพุทธเจ้ารวมทั้งผู้ที่กำลังต้องการบุญอยู่ในขณะ น, นี้ทุกชั้นทุกภูมิขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าโดยเถิดเมื่อรับเอาบุญแล้วต้องการสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาด้วยอำนาจแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้บุธไทยแล้วนี้เมื่อสมความปรารถนาแล้วให้ปกปกักรักษาคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเกิ น, น้นข้าพเจา้าทําสิ่งใดขอให้มีแต่ความราบรื่น มีแต่ความสำเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ยี่ขึ้นไปได้เถิดข้าพระเจ้าจะหมั่นทำบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้เร็วๆไปทำความรู้สึกว่าเราเต็มใจให้บุญเหมือนบุญออกไปจากใจเราถ้าใครรู้สึกว่าบุญสามารถออกไปจากใจเราได้จะถึงเร็วมากาวันนี้พอแค่นี้นะ